พูดถึงเรื่องกันแสดงความเคารพซึ่งกันและกั น, นในพุทธศาสนาได้แสดงลักษณะของการเคารพเอาไว้ในหลักของสิ่งค่าละสูตรเคือมีชายคนหนึ่งซื่อสิ่งค่าลมานุก็อยู่กับพ่อกับแม่เขาต่ว่าพ่อแม่ตายพ่อแม่สั่งไว้ว่าชีวิตนี้ให้ต้องรู้จักไหว้าขาเชื่อ ในเทพเจ้าที่ประจำอยู่ในทิศทั้งสี่ท่านตื่นเชามาก็ไหว้ทุกวันทุกวันคนนี้มีความเคารพมีความเชื่อฟังบิดามันดามากก็เลยไหว้ตื่นมาก็ไหว้ตงจิท่านไหว้ปทิศนั้นทิศนี้เทวดาประจำปัจจุบันเนี่ความเชื่อแบบ น, นี้ก็หลุดรอดเข้ามาในพุทธศาสนา แต่ว่าผู้แต่งตําราคัมพียเนี่ยยกเอาเทวดาที่ประจำที่ทั้งสี่มาเป็นผู้อารักขาพระพุทธเจ้าเราจะเห็นนะในพุทธลูกยอย่างพระพุทธชินราชนี่ก็จะมีเท้ากลุ่มพัน์ท่านกุหลาบเท้าวีรนุปักเท้าหยักตั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอารักขาอยู่ในนี้นั้นความเชื่อของพุทธเนี่ยมันจะไม่ห่างจากพราหมณ์ เมื่อไรที่รู้แจ้งก็เป็นพุทธถ้ายังไม่รู้แจ้งก็เป็นพราหมณ์มันใกล้ๆกันนะดังนั้นความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์มันจะพัดหนวกเข้ามามันติดอยู่กับจิตเราเรื่อย ๆ, เ, อ ๆ, เ, อๆเมื่อไรก็ตามที่เรารู้แจ้งบรรลุโสดาบันเอ่ความเชื่อพวกนี้ก็จะคลายไปคือมันไม่มีในใจ เ, mm. เข้าใจเหตุปัจจัยมันอย่างเขาพูดถึงเรื่อง ไหว้พระพรหมเนี่ยพุทธศาสนาก็บอกว่าพระพรหมนะมีแต่มีในแงวของพุทธศาสนาคือไม่ใช่เหมือนพรหมพระพรหมอินพรหมยมยักษ์ตั้งหลายแต่หมายถึงคุณธรรมที่ประจำใจมีริโอตั ป, ปสัมปันนาสุ ก, กเทวะสมหิตาสันโตส ป, ปุลิสโลกีเทวะมีเฮริผู้ใดมีเฮริมีโอตั ป, ปะเกิดขึ้นในใจผู้นั้นเรียกว่าเป็นพรหม คือตั้งแต่บรรลุโสดาบันขึ้นไปผู้นี้ผู้ใ ด, ดมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ตรงไม่ผิดเพี้ยนเนี่ยนั่นเริ่มเป็นพรหมขึ้นมาเพราะควร ม, มียดีอุตตปามีความละอายแก่ใจมีความเกรงกลัวต่อความคิดต่ออารมณ์ตัวเองเนี่ยจะเริ่มมีคุณธรรมที่ประจำใจประจำหน้าที่ของตัวเองอยู่สีแบบพรหมเนี่ยมันจะมีสีหน้า มีสีหน้าคือเป็นผู้บริหารเนี่ยจะนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยได้ถ้านอนก็ทับจมูกมันสีหน้าทับหูทับตาทับปากเนี่ยนั้นพรมเนี่ยจะนั่งตรวดเวลานั่งคือหมายเขาว่าเป็นคนที่สังเกตตรวจสอบเอาใจใส่มองตรวดเวลานะตาไม่มีหลับ คือทำหน้าที่ตัวเองตลอดเวลาสวามเสมอหน้าที่ที่หนึ่งหน้าตาที่หนึ่งก็คือเมตตาที่สองกรุณาสามมุทิตาสี 4, อ่อุเบกขาเนี่ยถ้าคนไหนมีคุณธรรมแบบนี้อยู่กับผู้อื่นผู้นั้นชื่อว่ามีพรหมเขาเรียกว่าพรหมวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหมต้องอยู่ในนี้นั้นจิตอะไรก็ตามที่อยู่ในนี้เขาเรียกว่าเป็นพรหมอุศา ส, สนาจะพูดถึงคุณธรรมแต่ไม่ใช่พูดถึงหน้าที่ ไม่ได้พูดถึงอัตตาตัวตนแต่ในสภาวะพวกนีรก็ตามที่ปฏิบัติธรรมมีสมาธิในตัวเองผ้าเฉยหรือว่าเป็นผมลูกฟักที่มีความคิดจากช่วยเหลือคนน้นคนนี้มีจิตเมตาตาเลนขึ้นลงแต่ติดอยู่ในกามคือว่าเทวดาเทวดาแต่เป็นเทวดาชั้นกามาพะจรณ์พเทวดาเนี่ยเขาจะไม่หนีจากกาม ติดรูปรถกินเสียงติดราค ะ, ะเพลินในรูปรถกินเสียงสมบัติอารมณ์นั้นปัจจุบันนิคนทั้งหลายเป็นคนร่ำรวยก็แสวงหารูปรกินเสียงราำยศสรรเสริญก็เป็นเทวดาแต่เมื่อมีความเมตตากรุณาที่ตาอุเบกขาต่อผู้อื่นเป็นพรห ม, มวิหารแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยพระอริยะจะเป็นมีพรหมในจะมีพรห ม, มวิหารในจะมีเมตตากรุณามุ้ใจอุเบกขาแต่เป็นอปปมัญญา อภิมัญญาคือหาที่ประมาณไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดเน่ะเมตาก็เมตตามดทุกคนกรุณาก็กรุณากับทุกคนพ่อแม่เรารักพ่อแม่ยังไงรักคนอื่นแบบนั้นรักพระราหุนยังไงกรักพระเทวทัตแบบนั้นรักญาติมิตรฉันใดรักศัตรูก็ฉันนั้นแบบนั้นน่ะเขาเรียกว่าอภิมัญญารักเสมอกัน ทีนี้มันจะเลยความเป็นพรหมไปอันเนี่ยซึ่งพรหมทําไม่ได้พ่อแม่เป็นพรหมของลูกเนี่ยรักแต่ลูกนะแต่ถ้าคนอื่นทําผิดเนี่ยไม่รักดังนั้นคุณธรรมของเทวดาที่ประจําอยู่ในทิศทั้งสี่เนี่ยส่วนมากทิศนั้นก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาวิรุณวิรุณหกก็คือน้ำํำคือฝน เท้ากูเวยก็ไหวเท้าทตรถก็คือดินคือเป็นผู้รักษาทิศเดี๋ยวนี้ความเชื่อแบบนี้เราก็มีจะทําอะไรก็บวงสวงบวงสวงบวงสว ง, ว ง, สวงเพราะเรามีความเชื่อว่ามันมีไทีนี้พระพุทธเจ้าท่านจะตัดไปเดีนี้พอท่านพูดนะท่านบอกว่าเทวด า, ามันก็มีมีไม่มีเอาไว้นั่นแหละไม่เป็นไรแต่ว่าการไหว้ทีแ ท, ท้จริงในพุทธศาสนาเนี่ย คือการปฏิบัติต่อการไหว้คือการปฏิบัติต่อการบูชาคือการกระทําต่อต่อกันและกันมีทิศที่เบื้องหน้าถ้าจะไหว้นะพ่อแม่พ่อแม่เดินมาก่อนเราไหว้พ่อแม่ไหว้ที่ข้างหน้าควรทําไงท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบ ด, ด้วคนขวายธุละจิต ก, การงานของท่านทําตัวให้เป็นคนสมควรท่านมอบทรัพย์มรดกให้ดูดิ พ่อแม่เห็นไหว้ลูกไหว้แบบนี้ลูกก็ไหว้พ่อแม่บ้างพ่อแม่ก็ไหว้ลูกบ้างพ่อแม่ไหว้ลูกทําไงตัวอะไรใจใส่ไงส่งเสริมให้ศึกษาวิชานศิวิทยายิ่งขึ้นไปหาคู่ครองที่เหมาะสมให้ถึงเวลาก็มอบทรัพย์มรอดอกให้ศึกษาศิลปะวิทยารวมทั้งให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีเนี่ยเขาเรียก ว, ว่าการปฏิบั ต, ติต่อกัน เ, เรียกวกันบูชา เราตื่นมาเรามาไหว้กันบูชากันเราทำแบบนั้นไหมท่านพุท ธ, ธาทาตันบอกว่าวถ้าไม่ทำตามค ำ, คำสอนอย่ามาวอนเรียกอาจารย์ถ้าไม่ทำตามคำสอนอย่ามาวอนเรียกอาจารย์อย่ามาเรียกว่าเป็นสิทธ์เป็นอาจารย์กันคนไหนที่ทำตามคำสอนเป็นสิทธ์อาจารย์โดยธรรมชาติโดยบัตตโนมัติจะมีไหว้หนึ่ง ไหที่ข้างหน้าสองวิธีข้างหลังทิศข้างหลังคือสามีภรรยาทำต่อสามีภรรยาวาไปข้างหลังนี่ไหว้ ย, ยังไงเนี่ยไม่เป็นไหมไม่ถูกไหมไม่เหมาะไหมไหม่ควงไหมคือซื่อสัตย์อย่างเนี้ยหาทรัพย์สมบัติที่ภรรยาหามาได้ไอ้สมสามีหามาแล้เก็บไว้ร่วมกันไม่ประพฤตินอกใจค้นขวายทําธุระมาละ เอาใจ ใ, ใส่หลายอย่างนะทิศเบื้องล่างเบาไแคร่คนใช้ในบ้านเอาใจ ใ, ใส่ดูแลเขาไหมไม่ละวันไหมปฏิบัติกว่ากันหกข้อทิศเบื้องบนที่ไหว้เนี่ยคือสมณะจีพาราหมณ์เราเคารพเนี่ยทําบุนทาทานบ้างไหมชีวิตเนี่ยแสวงหาศิลปวิทยาให้สูงขึ้นบ้างไหมมีไหมพ่ะพุทธยัแยงแถมอีกนะทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องขวา บ่าวไพร่บุตรภรรยาสามีพ่อแม่ลูกสมณชีพามสมณชีพามผูบาอาจารย์ให้ปฏิบัติ ต, ต่อกันกันปฏิบัติ ต, ต่อกันทำธรรมชาติเวลาท่านตายไปขวนขวายทำบุญอุทิศใหเนเน้เขาจะกล่าวไว้ในสิงคันละสุดนแต่คนสุ ม, มากเราเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ไหว้ตามนั้นไหว้แบบบอกหลอกเจอหน้ากันก็ไหว้ไปทำเรื่องนะ พอผ่านหน้าผ่านตาเหมือนนักการเมืองไหว้ประชาชนประชาชนไหว้หนักการเมืองเนี่ยะความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันไม่มีมันยากลําบากเดี๋ยวนี้แค่เทสู่สศูนนี้เราทําด้วยความจริงใจต่อกันมันไม่มีแล้วเนี่ยจะเอาอะไรแต่เชื่อเถอะเวลาเราปฏิบัติทำแล้วเนี่ยเราจะนึกถึงผู้อื่นแบบบริสุทธิ์ใจมันต่างนะถ้าฝึกแบบพรมก็คือทําใจแบบนั้นมันก็จะเกิดอารมณ์แบบนั้น แตต้องฝึกสติปัญฐานจิตจะเริ่มเป็นอภปมัญญาเริ่มกว้างขึ้นเรานึกถึงพี่นึกถึงน้องนึกถึงคนรักนึกถึงพ่อถึงแม่เพื่อนร่วมงานแต่นึกถึงในฐานะที่อยากให้เขาประสบสนิทในการเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนอยากให้เขาเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเขา้าใจธรรมอย่าให้เขาสัมผัสกับความสุขบ้างอย่าให้เขาเอากิเลสออกจากใจบ้าง เราจะนึกถึงแบบนี้ไม่มีขิดจํากัดเลยคล้ายๆว่าถ้ามีใครอยากมาเราชวนมาไม่มีตังเราให้ขารถเนี่ยมันแปลกปฏิบัติธรมเจริญสติปัญญาเนี่ยจิตมันจะเริ่มเริ่มเป็นอัปปมัญญาขึ้นมาโดยธรรมชาติมันแต่ถ้าไปทําสมาธิอะไรประนั้นมันจะไม่เป็นเหมืนใจมันไม่กว้างเราไม่ได้งงง่ายทุกขั้นตอนเราอธิบายได้บอกได้ศึกษาได้เรามาศึกษาทุกเรียนรู้ทุกปล่อยวางทุกเนี่ย มันไม่เหมือนศึกษาเรื่องอื่นก็ศึกษาศ า, ศาสตร์อื่นแบบอื่นรูปแบบอื่นกศาศา็มาทานนอกพระพุทธศาสนาเนี่ยอธิบายไม่ได้อย่างเหาะเหินเดินอากาศเนี่ยดำดินเนี่ยทําตัวเองคนเดียวให้เป็นหลายคนเขาเรียกว่าแสดงฤทธิ์ได้มาเนี่ยมันไม่ได้ทั่วๆไปกับทุกคนนะมันเป็นเฉพาะบางคนมันเป็นเฉพาะบางคนที่ทําได้ คนได้ฝึกมาดีจิตมาดีมีพื้นฐานมีบา ร, รมีเก่าเสริมเนี่ยมันก็เป็นแต่ว่าวิปัสนาเนี่ยเป็นสาธารณธรรมธรรมที่เป็นสากลสามารถเกิดขึ้นกับได้ทุกดวงจิตถ้าฝึกฝนจริงจริงเนี่ยมันเห็นผลง่ายแต่ถ้าฝึกคุณลักษณะแบบนั้นเนี่ยบางคนโอ้ฝึกวิปัสนาสุขวิปัสสะนะปฏิบัติธรรมเรียกว่าสุขวิปัสโก ที่เราทำจเจริญวิปัสนาล้วนไม่เกิดอิทธิฤทธิ์ปฏิยังหันอะไรนะถ้าทําสมถะมาหน่อยก็จะมีคุณลักษณะพิเศษคุณธรรมอะไรปรากฏเกิดขึ้นเพราะื่อไม่เอาละปฏิบัติทำมันแห้งแรงเกินไปเพราะว่าสุขวิปัสสโกผู้จเจริญวิปัสนาแบบแห้งแรงแห้งแรงดับทุกข์ได้อย่างเดียวนะจนมาก็ได้วิ่งเอาเหาะไม่ได้ สุขวิปัสสโกมันคนไม่อยากปฏิบัติเอ้ยผมจะไปฝึกส ม, มะถะก่อนวะไม่ให้เกิดภาวะนั้นเกิดสภาวะแบบนี้เกิดเป็นนนเป็นนี่เพราะว่าปฏิบัติธรรมโดยความรู้สึกว่าต้องการลาบยศสรรเสริญต้องการเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งหวังความชื่นชมสรรเสริญหวังอิทธิปาฏิหาริหวังความเคารพศรัทธาตูกเป็นความปราจันารลามกเป็นไปไม่ได้ตายก่อนบางทีเนี่ย มันจะตายก่อนนะมันไม่เกิดแต่ถ้าดับความคิดปฏิบัติธรรมจริสติมันเป็นของที่เป็นธรรมชาติมันเป็นไม่ได้กับคนทุกคนคนไทยคนฝรั่งคนาศาสนาไหนก็ทำปฏิบัติธรรมเนี้มันก็เป็นขึ้นมาโดยธรรมชาติทียจริงจะว่าขอให้เริ่มจากสติเท่านั้นเองแต่ขนาดปฏิบัติสตินักภาษาอะไรคนยังไม่มีนะคนมีสติแล้วก็ยังมีทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะ เป็นวิปัสสนูเป็นวิปลาสเป็นจินตยานเพราะมีปีติหน่อยเอามันอัตตาตัวตนมันใหม่ๆดังนั้นคุณธรรมที่ควรมีเขาจะมีในพุทธศาสนาเนี่ยเขามีอาจาริยวัดอุปชานยะอุปชาเยวัตปฏิบัติต่อกันระหว่างศิษย์ระหว่างอาจารย์มีความเชื่อถืออย่างการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าน้อยอย่างน้อยถ้าอยู่วัดบวชมา ห้าปีบวชห้าปีถึงไปได้อยู่ด้วยเนี่ยห้าพรรษาขอริวนาวกะพระตำห้าพรรษาเนี่ยถ้าห้าพันษาไปก็เป็นมัดชิมะถ้าสิบพรรษาขึ้นไปเป็นถระเนี่ยพระถีระคือปล่อยวางได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าสิบปีห้าปีสิบปีถ้าภูมิธรรมยังไม่ดีพอ นีห่างจากรูปรถกินเสียงไม่ได้บุคคลผู้ยังสังสมในจีวรเครื่องหนุ่งของถือสังสมยารักษาโรคในนี้สังสมที่อยู่อาศัยมักประดับตกแต่งอะไรประมาณนี้รู้แล้วตงติดอยู่ในการกินเนี่ยเขาถือว่าเป็นภิกษุถ้าเป็นสัตว์ก็ควรอยู่ในอคอกคุณอยู่ในครูบาจชย์อยู่ในระเบียบวิ น, นัยห้ามวิ่งว่อนไปนวนไปนี่ เพราะมันตามใจยังไม่ควรเป็นมัจฉิมะยังไม่ควรพ้นจากนิสัยมุตกมตกะมุตตกะรู้จักคำว่าตะกะนะตกะมุตตกะก็คือหลุดลอดจากความตะกะไปอะเดี๋ยวนี้มันยังไม่พ้นจากความตะกะก็อยู่ไปก่อนแล้วสังเกตดุพระบวชนา น, านจะเริ่มสะสมสิ่งของมากมายสะสมสิ่งของการกินสึ่งของความสะดวกสบายนะ มีโมดทุกอย่างอั น, นั้นก็มีอันนี้ก็มีอันนี้เขาเรียกว่ายิ่งบวชก็ยิ่งจะไม่สามารถที่จะสลัดได้ส่วนว่าจะเป็นกับคนแก่แก่อายุเยอะๆะจะสะสมวัตถุสะดุสิ่งของเครื่องใช้ของอาหารบินทบาอะไรมาเนี่ยมันจะเริ่มละเริ่มติดเกลือติดกินติดรถติดชาติเพื่อเพลินในการดื่มเริ่มเพื่อเพลินในยาสมุนไพรการสังเการอยู่การหยินยากอันเนี้ย ต้องกินตอนเช้าตอนเย็นตอนตอน น, นตอนนี้มันจะขึ้นมาดีๆแล้วก็เริ่มมีอ่าสิ่งของก็เริ่มตั้นหามันกลับไงได้แล้วเป็นไม่ได้กินแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้กินะมันไม่มีอะไรทําไง ม, มันไม่ได้ทําอย่างอื่นก็อยู่กับความคิดตัวเองแต่ละวันไม่ชําระใจตัวเองนึกไปนึกมาก็เรื่องตรืองนี้แหลปะปัจเจศีมันจะดึงเข้ามาดีๆสะสมนั่นสะสมนี่บันนี้ก็สะสมไปเพื่ออะไรเพื่อเรียกร้องความสนใจ คนไหนเอาใจใส่ก็เมือนให้มันกินมากให้รางวัลจิตจะเป็นแบบนี้เหมือน เ, น, มนเด็กแก่ไปแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาหาตัวเราเองขยับเข้ามาเลยนั้นทำยังไงที่จะพลดีใส่มุตตะมันเขาก็จะมีคุณธรรมมียริยมีโอตระปะอ่มีการฝึกฝนมีอุปชายวัดอาจารย์วัดที่สุดก็คือมีการทํากรรมฐานในอย่างเข้มข้น ให้มันรู้สึกตัวเสนาสนะละเสนาสนะเ็จะจัดในที่ที่มันกิเลสอาศัยไม่ได้นั้นยิ่งปฏิบัติไปมากมาๆเนี่ยไอ้คำว่าอยู่คนไม้หนึ่งรุกขมูลนะอยู่คนไม้อยู่รอมฟงังอยู่สุญยะตาขานอยู่เรือนว่างเนี่ยไม่เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งนะเพราะอะไร เพราะว่าจุดไม่ค่อยมีผลเพรนในวัดเราจะมีกุฏิมุงยายอยู่ก็เป็นแทนขนาดอยู่แบบนี้ก็ยังยากลําบากนะคนม า, มานี่เหมือนกับเดี๋ยวสะสมมาเนีเดี๋ยวสะสมมานี่โดยเฉพาะเวลาอยู่นานๆเนี่ยหนึ่งเราติดกินเราเลิกไม่ได้แต่ยาทอยากได้ความสุขยิ่งๆขึ้นไปอย่างเห็นแก่ปากแก่ท้อง ติดญาติติดโยมมันก็ไปเรื่องโทรศัพท์เรื่องนั้นแล้วนี้มาสารวัตรฉั้นมันไม่ได้ดับง่ายนะกิเลสเนี่ยคนโง่เนี่ยมันจะยากลำบากมากยากนะผู้หญิงก็ไม่ใช่ง่ายผู้ชายก็ไม่ใช่ดีเวลาฝึกเนี่ยจิตมันเป็นแบบเหมือนจิตเราทั่ ว, วไปเนี่ยนั้นเป็นไปแต่คนฉลาดจริงๆนะมาทา ที่มาปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันคนที่ตั้งใจจริงๆหน่จึงจะได้สัมผัสกับสัจธรรมถ้าคนไม่ตั้งใจมันยากมันยากขณะเราตั้งใจจริงคนที่มีความคิดมีอนุสัยมีอุปทานในใจเยอะต้องลบากแต่ในความลําบากเขาไม่ย่อท้อก็ย่อมก้าวไปถึงได้นั้นเรามาปฏิบัติธรรมนี่หลายครั้งหลายหนหลายคน หลายวิชาความรู้หลายที่อยู่ที่อาศัยความรู้สึกที่เป็นไปในกายในจิตบางคนก็รักษาได้บางคนก็รักษาได้น้อยบางคนก็ประคองสติได้มากบางคนทำมัเป็นต้นเป็นหมากเป็นหน่วยเป็นหมากเป็นผลได้แต่บางคนก็เพราะก็จะไม่งอกต้องอาศัยอาศัยความชุ่มชื้นมากกว่านี้ต้องอาศัยปังหูสุตะก็นะได้ยินได้ฟังมากๆ ศึกษามากๆได้ปฏิบัติมากเป็นเหมือนดอกบัวใต้น้ํำต้องอยู่นานๆต้องโอลมบมเพาะไม่ถึงโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นมันไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นเขาพอพูดน่อยเอาไปทําปุ๊บมันบานมาทันทีรับแสงอาทิตย์คือพอพูดอะไรให้ฟังเนี่ยเอาไปปฏิบัติทําได้ทันทีอ่ะแต่บางคนนานพูดแล้วก็ต้องบ่มเพาะตัวเองค่อยๆปลุดเป็นบอกบัวตุูมๆค่อยๆปลุดขึ้นไปนานหลายวันกว่าจะสงบได้แต่บางคนไม่สนใจเลยพูดอะไรให้ฟังเอ มันไม่มีร่องนึ่งก็เป็นอาหารของปลาเลยเต่าไปตามธรรมดาดอกบวัวสีเหลาฉั้นถ้ากลับไปจะไปหาใครพูดคุยกับใครอย่าไปถกเถียงเขามองเหมือนดอกบวัวสีเหลาเพราะขนาดพวกเราันปฏิบัติธรรมฝึกฝนยังยากเลยนักภาษาอะไรคนที่ไม่รู้เรื่องอันนี้ยิ่งจะยากกว่านี้ได้แต่ปลงนะจูงเฉพาะคนที่ควรจูงคนไม่ควรจูงเราก็ไม่จูงสอนเฉพาะคนที่ควรสอน นะจีแนจะพอคนที่พอจีแนคนที่พอจีแนคือคนที่มีศรัทธานหะมีศรัทธามีความเพียรทําอยู่บ่อยๆเนืองๆคุณจะทำเขาเกิดได้แน่ๆอย่างนี้นะเขาก็รักษาจิตตัวเองเป็นนะพวกนี้ล้วก็ส่งเสริมคนประเภทนี้นะแทนที่จะไปส่งเสริมคนที่ไร้สาระแต่ก็อย่างว่านะคนเราก็อยากให้คนที่เรารักไห้ดีขึ้นให้ดีขึ้นไดน้เห็นตัวเองขึ้นได้พัฒนาขึ้นเขาควรจะอยู่ในที่เขามา เขามาจากไหนเขาคืนไปอยู่ที่นั่นมาจะจิตที่ไม่เป็นทุกข์ก่นน่าจะไปอยู่ที่เป็นทุกข์คนที่อัตตาตัวตนเยอะแล้วเกินน่ะเอามาซักฟอกสิให้เขากลับไปเห็นตัวเองเขาเพ่็รู้จักว่าเขามาจากไหนเขามาจากไหนเขาเป็นใครนี่เขาอยู่ด้วความหลงนะเนี่ยแล้วก็ชักจูงเขาจูงเขาเข้าวัดเสร็จพวกเขากลับคืนไปอยู่ที่เดิมเขาเอามกหมดภาละไปคืออยากให้คนแต่ละคนเห็นตัวเอง เข้าถึงสภาพธรรมชาติของตัวเองธรรมชาติของเดิมแท้ของจิตไม่ใช่อยู่กับความคิดความปรุงแต่งแบบนี้ถ้าคนไหนเข้าถึงธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นื่อว่าเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นื่อว่าไม่เห็นเราเห็นเราเห็นใครผู้ใดเห็นธรรมก็เห็นตัวเองเนี่ยคนไหนเห็นตัวเองเห็นตัวตัวเองไงตัวเองที่เป็นอนัตตาไม่มีอะไรนักกเนี่ย ไม่ใช่ไปเห็นตัวนี้นะเห็นแค่เรามีทักษะมีความสามารถมีความรู้แล้วก็เอาความรู้ความสามารถออกมาหาอยู่หากินไม่ใช่เห็นตัวเองนี่เลยตัวเองคืออะไรตัวเองก็คือทุกขังอนิจจังอนัตตาตัวเองคือธรรมชาติอันนี้ตัวเองคือเห็นภาวะมันเกิดมันดับเนี่ยเห็นได้ไหมถ้าเห็นอันนี้ตัวตนมันก็จะลดแต่ถ้าเห็นตัวเองกูเป็นนั่นกูเป็นนี่กูเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นคนเฒ่าคนแก่กูเป็นผู้หญิงกูเป็นผู้ชาย ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถครูเป็นโลกเป็นไปใค่เจ็บวันหนึ่งหนึ่งเห็นอยู่แค่นี้คุณก็จะแค่เนี้ยชีวิตคุณแล้วคุณก็จะวิ่งว่นอยู่กับชีวิตแบบนี้ไม่มีทางที่จะได้รู้สัจธรรมมากกว่าเนี้ยแล้วได้แต่สมมุติว่าเป็นอะไรสมมุติว่าเป็นเราไปวิ่งตามสมมุติามากไปเราไม่เคยหาตัวเองตรงมันเนะี่ยเป็นอะไรก็โรงมันตรงมันเสเถอยจะไปเป็นพระพุทธเจ้า ว, ว่าท่านตรงสังขารตรงสังขารตรง สังขารเกิดที่ไหนปรงที่นั่นปรงที่นั่นปรงก็คือวางมาแหละนะที่นี่มาเรียนรู้วัสดสธรรมมาปรงมาปล่อยมาวางมาดับทุกมาทำความรู้สึกตัวมาทุกอย่างนะมาปรงแล้วมาเอาคุณธรรมในตัวเองออกมาใช้กับชีวิตคนโง่โง่เฟอร์ น, นิเจอร์ไม่จะเยอะชีวิตนะเคยเห็นหนังจีนไหมหนังจีนเนี่ยเดินไปทไหน เขาจีบอันนั้นเป็นอาวุธได้เลยเนะได้เลยนะไม้อันหนึ่งนะหญ้าอันหนึ่งเอามาเป็นอาวุธได้เลยคนที่เก่งแท้แท้เนี่ยอาวุธจะอยู่กับตัวเองเอาทุกอย่างเป็นอาวุธเหมือนกบบระบี่หกชีพจรเงี้ยมันอยู่ทางตาหูจมูกริ้นกายใจสติมีอยู่ประจําอยู่ในทุกที่เลยกระทบตรงไหนนะทําลายได้ตรงนั้นนะ ไม่ต้องมาเดินพลังไม่ต้องอะไรเนี่ยนั้นชีวิตนี่ก็จะง่ายคนปฏิบัติทำมานา น, านไม่มีเครื่องอํานวยความสะดวกมากมายอะไรหรอกมันง่ายๆคนไหนยิ่งปฏิบัติยิ่งเฟอร์นิเจอร์เยอะมีเสือ้อมีผ้า ม, มีเครื่องหนุมห่วงเครื่องห่มเครื่องถือมีอาหารการกินมีกะติกน้ําร้อนประจําตัวเองมีซาลพัดเนะ่ย มีสารพัดมีเครื่องอำนวยความสะดวกมีเครื่องมือติดต่อสื่อสารมีน้อย ม, มากมายหลากหลายเนี่ยเหมือนจําเป็นไปหมดนะคุณยังพัฒนาภูมิทําคุณมาเป็นกระบี่หกที่ประยานไม่ได้ภูมิธรรมันไม่มีพอไงนั้นมันก็จะติดอยู่กับเวทต่มันบ่งบอกว่ายิ่งคุณมีเยอะคุณติดเวจนามากนนั่งก็ต้องมีของนิ่มๆนุ่มๆจีวรก็มีชุดนั้นที่นี่ ม, มาใส่มาเสริมมาเติมมาแต่ง นะมีหม ว, วกโปกหัวมีผ้าพันคอพันหูพันตามีผ้าหม่มชั้นนอกชั้นในสาลพัดนะ่ะเสือกันนอกกันหนาวรุ่นนั้นรุ่นนี้คุณยังอยู่กับเวทนาตลอดเวลาคุณยังไม่สามารถดึงเอาความอดทนออกมาใช้เอาสติเอาหิริเอาโอตตะปาเอาพ้าหุสุตะเอาจาคะเอาปัญญาที่มีในตัวเนี่ยยังออกมาฉันไม่มีนะ ยังใช้อารมณ์ยังใช้ห น, น้าเนยังไม่มีพรห ม, มวิหารชีวิตเราไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาอุเบกขาไม่มีมันไม่มีคุณธรรมไงนั้นชีวิตนี่ก็จะพึ่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูผมขนเล็บฝันหนังเนื้ออยู่แบบเนี้ยคนในติดพ่อติดแม่ติดพี่ติดน้องนะติดเที่ยวติดอยู่ติดกินทิด น, นั่นเลยคุณธรรมยังไม่เบ่งบานเราไม่เชื่อคําสอนเพราะว่า สิ่งเหล่านี้ดับทุกได้อันนี้ดับทุกได้ดับทุกได้เราไม่เข้าใจนั้นพอดับทุกได้เราใช้พอประมาณทุกอย่างเป็นประมาณนะกินพอประมาณดื่มพอประมาณอยู่พอประมาณอะไ ร, ระมาไม่ใช่การสะสมแล้วทีเนี้ยมันไม่ใช่สะสมในพระเบบีอาบอกว่าในโคตมีสูตรนะไหวไหมคุณแม่โยแม่ มหาประชา บ, บดีโคตมีบวชมาเนี่ยคุณไม่มีคนใช้นะคุณอยู่ในวังเป็นแบบหนึง่งแต่บวชมาเนี่ยจะต้องไม่มีคนใช้ได้ไหมได้ไม่สะสมสิ่งของในหนังสือบอกไม่สะสมกองกิเลสไม่สะสมสิ่งของนะไม่มีนมนะให้ดูไม่มีโอวันตินนะไม่มีกาแฟนนะไหวไหมไหวเป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยนะปรารถนาอันน้อยนะ ไม่ได้เป็นใหญ่เหมือนเมื่อก่อนนะไม่ได้เป็นความอยากใหญ่นะบวชเข้ามาในไม่มีอัตตาทนไว้ไม่คุณมีอยู่แปดข้อสอนเนี่ยถ้ารับได้จะให้บวชแต่ถ้ารับไม่ได้อันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะอยู่อันนี้ก็จะกินอันนั้นก็จะสะสม น, นี่ก็ต้องมีคนใช้คนดูแลไม่ต้องเอามาบวชในวรน ม, มาวิ่งไหนดิไม่ต้องมาพร้อมกับลูกน้องสิบเจ็ดคนอยู่ใครอยู่มันอยู่เรือนว่างได้ไหม สุญยตาขารทําได้ไหมได้ได้ไดเอาถ้าองนั้นทุกมันไม่ดับนะโยมแม่นะเขาเรียกว่าคุธรรมแปดประการครุทํามแปลว่าธรรมะอะที่หนักมากหนักสําหรับคนที่ติดในเมืองติดอารมณ์ติดอัตตาตัวตนอยู่ๆก็จะให้เลิกอันนั้นเลิกอันนี้ไม่มีอันนั้นไม่มีอันนี้นี่ทําได้ไหมทําไม่ได้ ก็ทําทไม่ได้ก็ไม่ให้เป็นปิกษุณีในธรรมวินัยเขารับแปดข้อรับเลยถ้ารับเอาบวชได้เลยนั้นวิธีบวชแบบหนึ่งคือคนไหนรับทำมาแปดข้อนี้ให้บวชโดยเฉพาะอันนี้คือมาตรการที่เอามาจัดการกับคนร่ําคนรวยคนมีอยู่มีกินคุณหญิงคนนายในธรรมวินัยเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นที่นี้ไม่ต้องพูดถึงการไหว้ซึ่งกันและกันที่นี่ คนไหนเข้าถึงธรรมถึงสัจจะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกั น, นเป้าหลอมพุทธะเนี่เป็นอันเดียวกันคือคนไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ก็คุยกันได้สะดวกคุยในแง่มุมไหนการปฏิบัษษติิริงๆอตตาอรมันปรากฏเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติรู้จกักหวรู้จักเขานกรอบนอกกันโดยธรรมดาธรรมชาติอะไรนั้นถามตัวเองเนื้มาปฏิบัติธรรมหรืเกิดว่าเป็นคนเนี่ยต้องการอะไรมาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องการมาแสวงหาทำไปเป็นที่พึ่งเหรือ หรือมาสวยเองคความสะดวกสบายหรือมาหาอัตราตัวตนหรือมาติดเขี้ยวเลยไปเพื่อถกเถียงกันมาฝึกเอาปรัชญาเอาความรู้นะปรับประวาทะของผู้อื่นคือไปปรับทิฏฐิมาของคนอื่นเหรอนะต้องกาตอบปัญหาคนนั้นได้อันนี้ค น, น, นได้หรือหรือพิ่งมาดับทุกข์เราต้องถามต้องเข้าใจตัวเองวันนี้อืม 8โมงนี่ต่างคนก็ต่างไปแล้วปกติวันสุดท้ายก็ทําสะอาดวัดว่าวัดขัดห้องน้ําห้องส้วมว่าเรามาใช้มาดูแลปัดกวาดที่โน่นที่ น, น, นี่เก็บที่นอนหมอนมุงอะไรสะอาดปัดกวาดเช็ถูกเขาเรียกว่าใช้หนี้สงแทนที่เราจะมาทําสกรปรกเอาให้พระให้เน้นให้เท น, ใ ห, เทนให้ชี้ในวัดในว่าไปทําคนรู้สึกลําบากทั้งอาศัยสถานที่ท่านสั่งทั้งสอนทั้งอะไร พ็จะกลับเรียบไปจนถึงเช้าเลยอะไรประมาณนี้นไปใครไปมันอันนี้ก็คุณธรรมต่ำเกินไปนี่อย่าในน้อยไม่ได้อะไรก็อย่าให้เป็นภาระธุระเร็มีจิตสำนึกเั้นมาอยู่อยู่ที่ไหนก็ไปเอาประโยชน์จากเขาให้ได้เรามาที่นี่เราเอาประโยชน์นะเอามาประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งขี้ให้มันเลี้ยราดไปขี้เกียจขี้เมื่อยขี้เบื่อขี้นายเอาว่างปล่อย ขี้สปกปรกพวกนี้ยไม่เอาแล้วให้เขากินโอ้คนนี้มาได้มาก็ขยันขันแข็งเหมือนเดิมมาก็ตั้งใจเหมือนเดิมอย่างเงี้ยได้มาข้างไหนก็รู้สึกว่าเราเดินเข้ามาได้มาข้างไหนก็รู้สึกว่าภูมิฐานเราใช้ได้มาประมาณเนี้ยแต่ถ้ามาแอ้ยไอย้ตัวนี้มันมาอีกแล้วหูดมากกินมากนอนมากขี้เกียจมากอะไรประมาณเนี้ยหนักใจอย่างนั้นนะ นักใจอยู่ที่ไหนใครก็ไม่รักเพราะมันไม่รู้จักไหว้เป็นนะไหว้คูบาอาจารย์มันไหว้เป็นไหว้คือแสดงคุณธรรมต่อั้นเราสังเกตดูนะถ้าเราไม่ไหว้เขาเขาไม่ไหว้เราเราไม่ทำตัวในฐานะที่เป็นผู้ศึกษาที่นี่เป็นสิทธิ์เป็นอะไรอ้าวครบาจารย์เขาก็ไม่ทำหน้าที่สอนไม่บอกไม่สอนเนี่ยเราไม่ทำดีต่อพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่เห็นรางวัลเรา มันเป็นธรรมชาติงนั้นวันตะโกปฏิวันทนังผู้ไหว้จะได้รับการไหว่ตอบปฏิบัติต่อคนเช่นใดผลย้อนจะเป็นเช่นนั้นตาที่สั่งและปฏิภีชังยาที่สั่งและปฏิพลังกัญญาณกาลีกัญญาหนังป้าปกาลีจะปาปากังบุคคลหวานพืชเช่นใดจะได้รับผลเช่นนั้นทำความดีจะได้รับดีตอบทำดีกับใครเขาจะทำดีตอบ ทำไม่ดีผลมันก็ไม่ดีตาที่สังลรับปฏิพลังการยานการีการยานังทําดีกับเขาเขาก็ทําดีกับเราเราคิดชั่วคนชั่วจะอยู่ในจิตเขาทําช่วชั่วคนอื่นอีกหน่อยมันก็ตอบสนองจิตจะเป็นแบบนี้ยทําดีกับพ่อแม่กับลูกกับหลานทําดียังไงถึงเวลามันก็ออกผลมางั้นเรามาปฏิบัติทําที่นี่ชื่อว่าเรามาปลูกจิตปลูกใจ หลายคนปลุกพยายามปลุกพยายามฝังลง ต, ตาเคยเห็นทุกท่านเพียรพยายามกันดีแต่ไม่รู้ว่าได้อะไรมาปฏิบัติทำไปเนี่ยบางทีรู้นะว่าได้แต่เพื่อเป็นการให้กําลังใจเพื่อการปฏิบัติเพื่อการปทําความเพียรที่ไม่ผิดทางหรือเพื่อให้กำลังใจกับผู้อื่นเราก็พูดกัน สอนกันบอกกันเรื่อยๆที่ผ่านมาตอนนี้เป็นการประเมินความตั้งใจของเราว่าเราทําได้แค่ไหนเราตั้งใจไหมที่สอนทุกวันทุกวักน น, น, นี้มันรู้เรื่องบ้างไหมปฏิบัติได้ยังไงอะไรยังไงนะี่นะอืมปรับเป็นครั้งสุดท้ายปรับทิฏฐิปรับมรณนะปรับอินทรีย์หรือประเมินดูว่ามาเนี่ยเราลดน้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ถูกฝังเนี่ยมันงอกใหมหรือเปล่า กันก็อาจจะคุยกับบางท่านในนี้หรือให้บางท่านพูดคุยเพื่อเกิดความเข้าใจหรือเกิดกำหลังใจหรือเกิดั้นปรับอินรีครั้งสุดท้ายศรัถธามากไปไหมวิเดียมากไปไหมทำเนี้ยแล้วไม่ได้อะไรเลยต้องทำอะไรกับมันคนนี้ทำได้มันเป็ น, นคนนี้เอาต้องปรับตัวนั้นตัวนี้ลงมาคุยกันสักน้อยหัานห น, น้าหันหลั